พลังทิพย์คืออะไรก่อนที่เราจะมาเกิดในโลกนี้เราทุกคนได้เคยอยู่ในโลกทิพย์คือในโลกของวิญญาณหรือในโลกของโอปปปาติกะมาก่อนทั้งสิน้นและเมื่อตายแล้วก็กลับไปสู่โลกทิพย์อีกทุกคนจะหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดการไม่มีเวลาสิ้นสุดหากผู้นั้นยังมีกิเลสคือตายแล้วจะต้องเกิดเกิดแล้วก็ตายจะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไป ข้อสำคัญต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าที่ว่าตายนั้นตายแต่ร่างกายเท่านั้นวิญญาณไม่ตายไม่สูญในเมื่อยังมีกิเลสและที่ว่าเกิดอีกนั้นหมายความว่าทันทีที่ตายจะต้องเกิดเป็นโอปปปาติกาก่อนตายจากคนจะมาเกิดเป็นคนทันทีไม่ได้หรือตายจากคนจะมาเกิดเป็นสาตร์ในโลกมนุษย์ทันทีก็ไม่ได้ทุกคนจะต้องเกิดเป็นโอปปปาติกาก่อน อันนี้เป็นหลักตายตัวไม่มีข้อยกเว้นคือเมื่อมาจากโลกทิพย์หรือโลกวิญญาณก็จะต้องกลับไปสู่โลกทิพย์หรือโลกวิญญาณก่อนเสมอแต่บางคนอาจจะเป็นโอปปปาติกะอยู่ไม่นานแล้วก็มาเกิดเป็นคนซึ่งดูคล้ายกับว่าตายจากคนก็มาเกิดเป็นคนเลยอย่างนี้ก็มีแต่ถึงแม้จะมาเกิดเป็นคนรวดเร็วอย่างไรก็ตาม ก็ต้องผ่านการเกิดเป็นโอปปปาติกาก่อนเสมอไม่มีข้อยกเว้นหลักอันนี้สําคัญมากถ้าต้องการจะเข้าใจให้แจ่มแจ้งว่าพลังทิพย์คืออะไรสําคัญอย่างไรนั้นก่อนอื่นจะต้องเข้าใจอย่างชนิดมองเห็นภาพในใจเลยว่าบิญยาณที่มาเกิดในท้องแม่คือมาเกิดในไข่ที่ผสมเชื้อไว้แล้วนั่นแหละคือพลังทิพย์ที่มองเห็นได้ง่ายศึกษาให้เข้าใจได้ง่าย ข้อสำคัญอย่าลงผิดว่าในการเกิดของคนของสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั้นได้มีธรรมชาติอย่างหนึ่งซึ่งเราไม่เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรเป็นผู้ที่สร้างร่างกายขึ้นมาและการที่คนทั้งหลายเข้าใจกันเช่นนี้ก็เพราะสันนิฐานกันเอาเองว่าการที่โลหิตของแม่ซึ่งเข้าไปหล่อเลี้ยงชีวิตที่เกิดใหม่แล้วกลายเป็นอ ว, วัยวะต่างๆขึ้นมานั้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติ จำนองเดียวกับที่เรามองเห็นว่ า, มาเมล็ดผ ล, ลไม้เมื่อเพาะลงไปในดินมันจะออกรากแล้วรากจะดูดเอาอาหารต่างๆขึ้นมาและจากอาหารที่รากของมันดูดขึ้นมานี่แหละที่ได้กลายเป็นส่วนต่างๆของต้นไม้ซึ่งที่เป็นเช่นนี้เพราะอานาจของธรรมชาติความเข้าใจอันนี้และยึดมั่นอยู่แต่ในความคิดอันนี้นี่แหละที่ทําให้คนทั้งหลายเกิดความมืดบอด มองมีเห็นอำนาจของวิญญาณที่เป็นตัวการสร้างชีวิตซึ่งถ้าหากเราปัดคำว่าธรรมชาติออกไปเสียอย่าเอามาคิดแต่ให้คิดอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าดูกอ่อานน์ถ้าวิญญาณจะไม่ก้าวลงสู่ท้องของมารดานามรูปจะพึงเกิดในท้องของมารดาได้หรือพระอานน์ทูลตอบว่ามิได้พระพุทธเจ้าค่ะเพราะเหตุ น, นี้แหลอานน์ เราจึงเดีกล่าวว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปโรดสังเกตว่าเด็กทารกที่เกิดในท้องแม่นั้นพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่านามรูปถ้าหากเราเข้าใจหลักอันนี้ดีและยอมรับความจริงอันนี้แน่นอนเราก็จะมองเห็นถึงอำนาจสร้างสรรค์อำนาจบรรดาลความศักดิ์สิทธิ์ความหมาศจันท ร, ร์ของวิญญาณได้โดยไม่ยาก และจะมองเห็นว่าตัวเราคือร่างกายนี้โดยปกติธรรมดาก็เกิดมาจากพลังทิพย์คือพลังของวิญญาณอยู่แล้วและไม่ใช่เฉพาะแต่คนเท่านั้นสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดก็เกิดมาจากพลังทิพย์พลังทิพย์ก็คือพลังวิญญาณพลังวิญญาณเป็นสิ่งสำคัญยิ่งก็เพราะพลังวิญญาณสามารถสร้างร่างกายของเราขึ้นมาได้ พลังวิญญาณสามารถทำการเปลี่ยนสาสารต่างๆให้กลายเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ตามเจตจำนงของวิญญาณร่างกายเคลื่อนไหวได้มีชีวิตอยู่ได้ร่างกายไม่เนา่าไม่ผุพังไม่ตายก็เพราะยังมีวิญญาณอยู่ในร่างกายตาเห็นอะไรได้หูได้ยินอะไรได้สมองนึกคิดได้จำอะไรได้ก็เพราะยังมีวิญญาณอยู่ในร่างกาย พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าอาจิรังวัตยังกาโยปัตตวิงอธิเสสติจุดโดอเปตะวิญญาโนนิรัชทังวะกลิงครังกายนี้อีกไม่นานเท่าไรก็จะนอนทับถมแผ่นดินกายนี้เมื่อปราศจากวิญญาณแล้วก็จะไร้ค่าเหมือนกับท่อนไม้ข้อมูลจากร่างกายของเราเป็นข้อมูลที่ชัดที่สุดที่แสดงให้เห็นถึงอํานาจของพลังทิพย์ คือพลังวิญญาณและลาวจงนึกต่อไปให้กว้างในโลกของโอปปาติกะซึ่งชีวิตในโลกนี้สิ่งต่างๆในโลกนี้ล้วนแต่เกิดจากการเนรมิตหรือการบรรดาลของวิญญาณทั้งสิน้นยิ่งกว่านั้นในโลกทิพนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตและมีวิญญาณทั้งนั้นคือไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินแม่น้าภูเขาต้นไม้ บ้านเรือนถนนหนทางแร่ธาตุต่างๆเช่นเพชรพลอยเงินและอื่นๆซึ่งในโลกนี้ก็มีเหมือนกันสิ่งเหล่านี้เห็นได้ชัดว่าทุกอย่างเกิดจากวิญญาณและมีวิญญาณอยู่ในสิ่งเหล่านี้ด้วยโดยที่สุดแม้กระทั่งความรู้สึกนึกคิดต่างๆก็ปรากฏออกมาเป็นแสงสีต่างๆเสียงที่พูดเสียงดนตรีก็ปรากฏออกมาเป็นแสงร่างกายของแต่ละคน ก็มีแสงปรากฏออกมาไม่เหมือนกันสิ่งต่างๆในโลกนี้มีความแปลกประหลาดผิดจากในโลกมนุษย์มากมายจนถึงกับไม่หาจจะเชื่อได้ว่ามันเป็นเรื่องที่มีจริงแต่สำหรับผู้ที่มีความรู้เรื่องราวต่างๆในโลกทิพย์และยอมรับถึงความมีอยู่ของโลกทิพย์นั้นเขาจะไม่รู้สึกแปลกประหลาดเพราะอะไรก็เพราะร่างกายของมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับว่ามีจริงนั้น สำหรับผู้ที่ศึกษาส่วนต่างๆของร่างกายโดยละเอียดและมีความรู้ในทางชีววิทยาตลอดทั้งมีความรู้ในทางเคมีและฟิสิกส์เป็นอย่างดีนั้นในเมื่อเขายอมรับว่าร่างกายเกิดมาจากวิญญาณจริงเขาก็ย่อมจะยอมรับว่าโลกทิพมีจริงแน่เราทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้จับต้องได้มองเห็นได้นี้แต่เดิมมันก็ไม่ได้มีอยู่อย่างที่มันมีอยู่นี้ ขอให้นึกถึงตัวเราเมื่อแรกเกิดใหม่ๆแล้วแล้วในที่สุดก็ตายร่างกายสูญสลายแต่ในเวลาเดียวกันก็มีร่างกายเกิดใหม่อีกมีเสื้อผ้าอย่างน้อยก็ชุดที่เกิดพร้อมกับกายทิพย์สิ่งเหล่านี้มีขึ้นมาได้อย่างไรแล้ววันหนึ่งสภาพของร่างกายในสภาพกายทิพย์ก็อันตรธานหายไปอีกแต่แล้วสภาพร่างกายอันนั้นก็มาปรากฏเป็นกายเนื้อ ให้เห็นในโลกมนุษย์อีกปรากฏการเหล่านี้ขอให้พิจารณาให้ละเอียดและขอให้ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพิจารณาพิดตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้โดยวิธีนี้ท่านก็จะเข้าใจถึงเรื่องพลังทิพย์อย่างแจ่มแจ้งและยอมรับว่าพลังทิพย์นี้สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดพลังของวัตถุไม่ว่าจะเป็นพลังแสงพลังเสียง พลังความร้อนพลังแม่เหล็กพลังไฟฟ้าพลังงานปรามานูหรือพลังอะไรก็ตามก็ไม่มีพลังอันไหนจะยิ่งใหญ่ไปกว่าพลังทิพย์ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่ามโนโปุพังกมาธราม า, ม, ามโนเศรษฐามโนมยามโนคือวิญญาณเป็นสิ่งที่ไปก่อนหรือมาก่อนสิ่งทั้งหลายคือเป็นรากฐานเป็นมูลเหตุเป็นที่มาของสิ่งทั้งหลาย วิญญาณประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายสำเร็จหรือเกิดมาจากวิญญาณต้องศึกษาเรื่องวิญญาณอย่างที่ได้อธิบายมาโดยสังเขนี้ให้เข้าใจดีซะก่อนถ้าหากไม่เข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นอันรับรองได้ว่าเรื่องพลังทิพย์เรื่องความศักดิ์สิทธิ์ที่คนทั้งหลายชอบอ้างขอให้คุ้มครองหรือให้ขอบบญดาลอย่างนั้นอย่างนี้จะไม่มีทางเข้าใจได้ด้วยตนเองเลย หรืถึงแม้บางคนจะยอมรับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก็ยอมรับไปอย่างนั้นเองโดยที่ตัวเองก็ไม่เข้าใจและไม่แน่ใจว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คืออะไรเป็นอย่างไรมีความศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่แต่ถ้าหากเข้าใจเรื่องวิญญาณเรื่องโลกทิพย์ดังที่ได้กล่าวมาเป็นอย่างดีแล้วเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะสามารถเข้าใจได้ด้วยตนเองไม่ต้องเชื่อตามตำราหรือเชื่อตามคนอื่น